ขอโมทนากับพวกเรานะ่ตั้งใจที่จะฟังพระธรรมทั้งหญิงและทั้งชายมีโอกาสโลเลได้เท่าเท่ากันผู้ชายบางท่านเคยเป็นหญิงมาอย่างยาวไกลพึ่งมาเป็นชายในภพถัดมาสมมุติอย่างเงี้นะความโลเลก็ยังติดอยู่ผู้หญิงบางคนเคยเป็นชายมาหลายร้อยหลายพันชาติมาแวบมาเปลี่ยนเป็น เนะเป็นหญิงความโลเลก็ไม่ค่อยเกิดเพราะความตั้งมั่นก็จะแข็งแรงมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นความโลเลถ้าใครเป็นหญิงอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานเลยโลเลก็จะมากขึ้นมากขึ้นแต่เอามาดูประวัติของนางพิมบายาโสธราเธอไม่โลเลเลยใช่ไหอย่างเงี้ยมั่นคงมากเห็นไหมอัธยาสัยที่ตั้งเนี่ยแก้ความโลเลในใจได้ ควรตั้งแบบนี้ัหมบางทีตั้งใจจะมาฟังทำแล้วมานั่งหลับถือเป็นความโลเลัหย <c oughs> เป็นไม่เป็น <c oughs> ตรงนี้ก็คือว่าให้พิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะได้เห็นนะว่ากระแสจิตเนี่ยวิธีคิดเนี่ยฝึกฝึกได้ฉะนั้นเราจะให้ข้อมูลคิดให้เรามีศรัทธาก็ได้คิดให้ออกจากศรัทธาก็ได้เพราะศรัทธาเกิดขึ้นจากปัจจัยเกิดจากอาหาร ถ้าเรามีท่อเราให้ท่อน้ำเลี้ยงมากๆศรัท ธ, ธาก็มีกำลังวิริยะก็มีกาลังสติก็มีกำลังสมาธิและปัญญาก็มีกำลังเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราจะให้ปัจจัยให้มุมมองให้วิธีคิดให้ถูกถ้าเราคิดถูกเนี่ยกุศลก็เดินได้สะดวกคนที่คิดผิดเนี่ยโอกาสในการจะเดินกุศล ย, ยากเป็นการทำ้ายตัวเองเขาไม่ฉลาดคิดนะ ท่านในทางพระก็เรียกไม่มีโยนิโสมและสิการไม่คิดโดยถูกต้องไม่คิดโดยถูกอุบายอ่ะไม่คิดเข้าหาคิดหาอริยสัจก็ไม่เป็นคิดให้ไปตามทางถูกต้องก็ไม่ได้เช่นจะคิดให้เป็นแถวเป็นแนวตลอดสายก็คิดไม่เป็นนะเช่นจะคิดให้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมัตตาสัมมาอาชีวสัมมาอยิมภาัมมาสติสัมมาสมาธิจะคิดให้เกิดปลาโมดปีติปัตธิความสุขสมาธิคิดให้เกิดยถาภูริยานัศนะปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็คิดไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่สามารถคิดให้เป็นไปตลอดแนวตลอดสายเป็นแถวเป็นแนวได้ไม่มีปัฏฐานนสิการในะกลุ่มเนี้คิดทีไรก็วกวนสับสนวักวนสับสนอยู่ในวุ่นวายอยู่นั่นแหละติดพันเรื่อง ถ้ามีใครว่าสักคำหนึ่งก็ไปนั่งคิดนอนคิดเขาว่าเรายัางไงทำไมเขาถึงว่าไม่น่าจะว่าเลยเขาเห็นเราเป็นอะไรก็ไปอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เขาเรียกไม่มีโยนิโสนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีโยนิโสมนสิกานะนี่ไม่ฉลาดคิดเคยเป็นไหมบ่อยเลยเลยก็ก็ต้องไป ต้องต้องฝึกหัดขัดเกลาใหม่เนาะตรงนี้ลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าเออเท้าสรรกาัดเนี่ยเธอท่านก็เท้าเธอก็เดือดร้อนใจพอเดือดร้อนใจแล้วเท้าเธอก็ในสุดก็ให้ปัญจสิกขาคนทันนะนำทางวปเฝ้าพทธเจ้าไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะปกติแต่เท้าเธอวางแผนเวลาจะเฝ้าพุทธเจ้าเนี่ยจะวางแผนนะ อย่างเราจะมาฟังทำวางแผนไหมเท้าสก่าในวางแผนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไว้เลยคือทำอะไรเป็นคนที่มีแผนทางที่ดีนะแผนขั้นแรกถ้าไปพระศ า, าสดาจากไม่แสดงธรรมเราจะส่งใครไปก่อนท่านก็เลยส่งปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรไปก่อนให้ไปดีดพินถวายเป็นพุทธบูชา แล้วก็ขอโอกาสจากพระศ า, าสดาว่าเท้าสากาจะเข้าเฝ้านี่นะฮนี่แผนแรกนะแผนที่สองไม่ไปคนเดียวถ้าไปคนเดียวเนี่ยเพราะเดี๋ยวเกิดตนเองมีอุปนิสัยไม่มีอุปสัยอุปนิสัยในการฟังธรรมบรรลุเดี๋ยวพระศาสดาจะไม่แสดงธรรมหลากหลายใช่ไหมฉะนั้นนะ่ะยกไปทั้งยกไปทั้งประเทศเลย เข่าใจอย่างยกไปหมดเลยแต่เนี้ยยกขบวนเสนากองทัพยกไปหมดแหละเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินสองเมืองสอะอสองสอ ง, สองชั้นนะสวรรค์ชั้นจาตุมกับสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเท้าสก่า ป, ปกครองนะโอ้โหยมากันเต็มหมดเลยพระาศาสดาก็ต้องฟังต้องแสดงธรรมแน่นอนใช่ไหมแล้วเราจะได้มีโอกาสบ้าง เพราะเราจะตายอยู่แล้วใช่ไหมเท้าสกาณิวางแผนเพราะอะไรอ่ะเท้าสกาบมีจิตยอยู่สองประเภทเนะอะไรความตันนีกับกับลิษสยาตันนีอะไรเสียดายสมบัติของตนเองถ้าตนเองตายเสียดายไหมเอาเสียดายไหมถ้าหากว่ามี นางฟ้าเป็นบริวารสามสิบห้าล้านเนี่ยสามโกดครึ่งเป็นเท่าไหร่อะโกดหนึ่งเท่าไหร่โกดหนึ่งก็สิบล้านน่ะสามโกดก็เท่าไหร่สามสิบล้านแล้วสามโกดครึ่งเท่าไหร่สามสิบห้าล้านอันนี้เฉพาะนางสนมกำนันนะนั่นแหละสมัยก่อนเท้าเธอเนี่ยมีเตามีเตาไว้ผิงไว้อังเนี่ย สามสิบห้าเตาสามสิบห้าล้านเตาท่านอุปมาบอกว่าคนที่มีราคาโทสะโมหะนี่คือคนป่วยคนเป็นโรคเรื้อนคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยจะต้องใช้มันจะมีแผลผู้พองตามตัวใช่ไหมสมยัยโบราณก็จะใช้ตัวคนที่โรคเรื้อนเนี่ยไปไปไปอังไปอังกระเตาเพลิงอะ่ะ เมื่ออ่างเบลเซดแล้วเนี่ยไปย่างไงย่างให้แผลผู้พองที่มันเน่าอ่ะมันแห้งพอมันแห้งเบลเซดแล้วก็มันก็ค่อยชั่วใช่ไหมเหมือนค่อยชั่วดีหน่อยคันไหมถ้าไปย่างแล้วคันหรือไม่คันคันก็เกาพอเกาเบลร็จแล้วก็มันจะเกิดความสุขไหมมันก็คันแล้วมันก็รู้สึกมีสบายไงเหมือนเรารู้สึกคันแล้วเกามีความสุขไหม นั่นแหละมันสุกได้นิดอย่างนั้นแหละคนที่บริโภคกามคนที่มีบุตรมีภรรยาทั้งหลายท่านก็อุปมาเป็นโรกเรื้อนใครมีภรรยาหนึ่งคนก็มีเตาเตาเต า, เตาเพลิงหนึ่งเตาเท้าสกาวมี35ล้านเตาตอนนั้นน่ะพระโพธิสัตว์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีนางสนมอยู่สี่หมื่นนาง พระพุทธเจ้าก็เล่าให้กับมาคันธิยะบอกว่าดูก่อนมาคันธิยะสมัยที่เรายังไม่ได้ออกบวชตอนบำเพ็ญบารมีเป็นบริสัท์เนี่ยเราก็เป็นโลกเลือดแล้วเราก็มีเตาอยู่สี่หมื่นเตาเตาไว้เนี่ยแล้วคอยผิงคอยอังเนี่ยเวลากาวเบ็เสร็จเนี่ยไอตัวโลกเลือนเนี่ยมันจะมีตัวไอตัวหนอนเนื้เวลาเกาปุ๊บเนี่ย ไอตัวหนอนมันจะค่อยๆชาออนชัยเข้าไปข้างในแล้วไอตัวหนองมันก็ไหลออกมาเรื่อยแพ้มันจะหายไหมมันก็ไม่หายเพราะรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ถูกวิธีฉะนั้นอยากจะให้การมาราคะอยากจะให้กิเลสหมดเนี่ยด้วยการไปหาคนมาบำเลอ ม, มากๆมันจะหมดเป็นไหมไม่หมดพระโพธิสัตว์พุทธเจ้าทดลองหมดแล้ว แม้เท้าสก่าก็ยังรักษาไม่หายเลยตอนนั้นเห็นไหมเนี่ยท่านก็เลยอุปมาวันนี้ไงเราท่านทั้งหลายแสดงเห็นชัดว่าป่วยจริงไหมเนี่ยป่วยไม่ป่วยยอมรับความจริงเดือป่วยจริงๆต้องหาหมออย่างพทะเจ้าจริงๆ จ, งๆจึงจะหายจากโรคนี้ได้ใช่ไหมพระบรมศาสดามียาดีพระเจ้าเป็นหมอดีขอให้บริโภคยาของพระศาสดาเถอด คือพระศาธรรมไงคําสอนของพระศาสดาเนี่ยเอามาบริโภคให้ต่อเนื่องในที่สุดจริงโรคจะหายทีนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็นคําสอนของพระศาสดานะต่อมาเท้าเธอก็มาแล้วที่สุดก็ฟังธทำเท้าเธอก็ถามปัญหาข้อแรกเลยว่ามนุษย์เทวดาพรหมหรือมนุษย์เทวดาหรือนาคคนทันทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเราเนี่ย ที่อยู่ในสังคมมนุษย์ในระหว่างครอบครัวตำบลอำเภอจังหวัดและก็ประเทศภาคต่างๆเนียจนถึงหลายๆประเทศเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลเหล่านี้ที่มีความขัดแย้งกันทะเลาะ ก, กันมีการที่ว่ากระทบกระทั่งกันเนี่ยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทำให้สัตว์เหล่าน้ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เขาก็ปรารถนาดีต่อกันนะอยากให้โลกสงบใช่ไมใครมากแป๊บปๆ เ อ, ออยากให้รักกันสามัคคีกันมีความสุขแต่ทําไมมันขัดแย้งกันตลอดอย่างเงี้ยทะเลาะ ก, กันตลอดเวลาเนี่ยนะพระศ า, าสดาก็บอกว่านี่ไงลิศยาก็เท้าเธอเนี่ยแต่หมก่อนเนะ่ยเธอลิศยาไงลิศยาว่าคนจะมาปกครองแทนใช่ไหมลิศยาเขาไหมไม่อยากให้เขามาเป็นพระเจ้าเป็นดินแทนว่าตนเองจะตายใช่ไหม คือพระเจ้าเป็นหมายความว่าเทวดาเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินในส อ, ส, อสองเมืองก็คือเมืองจาตุมมหากับเมืองไอเตาติงสาเอเอเออเตาดึงกัจาตุมจาตุมกับเตาดึงเนี่ยสองเมืองเนี่ยสองพบเขาเรียกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่บนสวรรค์ปกครองปกครองสองเมืองเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกลิศยาบุคคลที่จะมาปกครองแทนเนี่ยเพราะว่า จะต้องมีเท้าส ก, ก่าองค์ใหม่ฉะนั้นพอท้าส ก, ก่าองค์ใหม่มาเนี่ยมาเพราะตอนเองตายไปต้องมีเท้าส ก, ก่ามาปกครับก็ลิศสยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็เกิดมัชชริยะคือความตณีตณีทรัพสมบัติตณีบริวารตณีฐานะตรงเองนยศถาบรรดาศักดิ์วกเหตุสองประการเนี่ยทำให้คนขัดแย้งว่างั้นทําให้จิตใจมันกุ้มรุมแล้วก็เล่าร้อนว่างั้นเราเป็นไหม เป็นไม่เป็นเอาคนยอมผู้หญิงที่เป็นภรรยาถ้าหากวันใดวันหนึ่งจะต้องตกฐานะจากการเป็นภรรยาคนอื่นมาเป็นแทนแล้วเป็นไงเอาเป็นไงถ้าบอกว่าเอ้าลุกไปได้แล้วเขาจะเอาคนอื่นมาแทนเราจะริษยาคนมาใหม่ไหมและตีหนีฐานะเดิมไหมทั้งๆฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยนยะเห็น ไ, ไหม เห็นไหมเนี่ยก็ตนีใช่ไหมผู้ชายก็เหมือนกันก็อยู่ในฐานะถ้าบอกว่าจะต้องจะต้องจากไปแล้วแต่จะต้องมีคนอื่นมานั่งตรงนี้แทนเนี่ยก็ิษยาคนมาใหม่แล้วก็ห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงสมบัตินี่ไงิษยาและความตนีก็เดือดร้อนใจพุกพลานแล้วอย่างนี้เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระาศาสดาก็พยายามที่บอกแนวทางอย่างนั้นก็เพื่อต้องการแก้แล้วก็เป็นไปตามดับว่าอะไรเนาะเป็นปัจจัยแก่ความริษยาและความหีความรักและความชังไนงะรักและยึดไหมเพรเกียดชังก็อยากจะผักใสเนาะอยากจะไล่ส่งแล้วฉะนั้นความรักและความชังเป็นปจัจจัยแก่ริษยาและความตดีอนี้รายละเอียดมีเยอะนะฉันท้าก็เป็นปัจจัยความรักและความชังเนะี่ย อยนี้เป็นต้นวิตกประกามาวิตกทั้งหลายก็เป็นปัจจัยแก่ฉันทางเงี้ยแล้วก็กรณีอย่างตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่วิตกส่วนว่าเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหารายละเอียดต่างๆนะั้นมาจะไม่ตามไปนะแต่ต้องการชี้เห็นบอกว่าพระศ า, าสดาเนี่ยนะ ท่านทำลายความโศกความลํำลายลําพันได้และพระองค์เห็นบอกว่าตอนที่พระองค์บําเพ็ญทา น, นบัลลีนี่นะพระองค์ก็บอกว่าสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินสวนเงินทองโครกระบือทา่ทาหญิงทา่ทาชายบุตรภรยาเป็นต้นเหล่าเนี้ยนํามาซึ่งความเศร้าโศกความเสียใจลําพันลําใบลาบันแก่สัตว์ผู้มีจิตถูกมวลทินความตเนียรรุมเล้าเพราะเป็นเหตุให้เกิดในาบายภูมิด้วยนะอย่าลืมนะ ถ้าเราไปยึดติดในสิ่งเหล่านี้ในส่วนจริงเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเนี่ยนะความาพิจารณาอย่างนี้เบีดเสร็จท่านก็นเลยบอกว่าการบริจาค ก, การสลัดทิ้งซึ่งวัตถุเหล่านั้นจึงเป็นความสวัสดีอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นจึงควรทำความไม่ประมาทในการบริจาคมีสอนเราด้วยนะแต่ถ้าพอโพลสัตร์เนี่ยท่านบริจาคหมดหม พาหิรทานทานภายนอกนิสระเกลี้ยงอัชิติการทานให้ไหมให้ลองดูต่อไปนะเมื่อผู้พิจารณาว่าผู้ขอท่านพิจารณาว่าเมื่อขอเป็นผู้คุ้นเคยของเรานะเนีพราะบอกความลับของตนเป็นผู้แนะนําแก่เรานะถามบอกว่าผู้ที่เขาขอเนี่ยเขาคุ้นเคยกับเราหรือไม่ แต่ก่อนไม่คุ้นเคยเพอมาทำการขอเราปุ๊บเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับเราไหมเขาบอกความลับของเขาไหมทำไมเขาต้องจนไม่ใช่เพราะเขาไม่ให้ไงเขาบอกความลับเขาแล้วรู้ไหมแล้วอย่างหนึ่งเมื่อโลกถูกไฟเด อ, ออีกอย่างหนึ่งเขาแนะนำเราไหมเขาบอกว่า เขาบอกความลับอีกข้องบอกว่าโลคเนี่ยกระแสชีวิตเนี่ยมันถูกไฟไหม้ไหมไฟคือราค่าโทสะมหะไฟคือชาติชาตินี่การเกิดเป็นไฟไหมความแก่เป็นไฟไหมความเจ็บไข้ก็เป็นไฟความตายก็เป็นไฟความโศกความลำํารลำพันเนี่ยฉะนั้นโรคเนี่ยกระแสขันกระแสชีวิตเนี่ยถูกไฟไหม้เผาเหมือนบ้านถูกไฟไหม ฉะนั้นผู้ที่มาขอของเราเขาเป็นสหายช่วยขนของเราออกจากโลกเหมือนกับขนเก็บเก็บของเราหนีไฟเราต้องขอบคุณเขาไหมเนี่ยฉะนั้นถ้าเดินไปมีใครขอรีบขอบคุณเขาเขาช่วยอะไรเขาช่วยเก็บของขนของออกจากบ้านที่กาลังถูกไฟไหม เขาเขาขนไปให้ใครเขาเก็บไว้ให้เราในพบต่อไปฉะนั้นเขาจึงเป็นควรเป็นบุคคลที่น่าน่าขอบใจที่จริงเป็นอย่างนั้นนะเอาเวลาพามาบินบาตหน้าบ้านเวลาเราจะใส่บาทเราบอกท่านยังไงขอบพระคุณท่านมาก ที่ท่านช่วยมาขนของออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้แล้วยังแถมเก็บทรัพย์ไว้ให้โยมในีพบต่อไปด้วยเข้าใจท่านเหมือนเก็บทรัพย์ไว้ให้กับเรารู้ป้างฉะนั้นไม่ควรทำความตันหนีเกิดขึ้นในใจเพราะโพธิสัตว์ท่านคิดเป็นรู้ไหมเราคิดอย่างนี้เป็นไหมเนี่ยเคยคิดมุมนี้ไหมหัดคิดเสียคิดอย่างเนี้ยคิดอย่างนี้ได้ปัญญาหม ไม่ใช่เห็นพระยืนหน้าบ้านเอาอีกแล้ววันนี้ได้บาปไหมได้บาปเราเอาบาปเรื่อเอาบุญเอาบุญฉะนั้นท่านมาเนี่ยท่านมาเพื่อต้องการขนอะไรจะขนทรัพย์ออกอย่างานใครขอถือว่าใช้ได้พระเขาไม่ได้ขอด้วยการเอ่ยปากเพราะผิดวินัยพระเนยพระ การขออย่างพระอริยะท่านถือบาทมายืนขอนิ่งๆนั่นชื่อเป็นการขอปริยะไม่ให้ท่านไม่ว่าพักหนึ่งท่านก็เดินไปแล้วใช่ไหมก็ใช่โดยมากจะเป็นอย่างนั้นนลยไม่ให้อะไรให้อะไรอ๋อไม่ได้พระพระไปเกี่ยวข้องไม่ได้ เก็บของซึ่งไฟไม่ไหม้ที่ขนออกไปเป็นเป็นกัญยาณามิตรอย่างยิ่งไหมฉะนั้นท่านเป็นกัญยาณามิตรยิ่งเพราะเป็นสหายในกรรมคือทาน <c oughs> เป็นเหตุให้ถึงพุทธภูมิได้ยากอย่างยิ่งเลิศกว่านะบอกว่าการได้พุทธภูมิเนี่ยยากมากพระบริัท่านคิดท่านอย่างเงี้ย น, นะแต่เมื่อมีคนขอเนี่ยนี่ไง ท่านเหล่านี้มาส่งเสริมเราให้ได้สัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นเราจะขอบคุณผู้ขอท่านก็ให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความอ่อนน้อมในสังสารวัฏที่ผ่านมาเพราะบริษัทต้องบำเพ็ญบารมีด้วยการบริจาคทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ตั้งเข้าไปตั้งความนอบน้อมในการบริจาคว่าผู้นี้ยกย่องเราในกรรมมันยิ่งเพราะฉะนั้นเราควรทาการยกย่องของเขาให้เป็นความจริง ถ้าเขามาขอเรานะ่แปลท่านมายกย่องนะบอกโอ้เราเนี่ยบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นมีบุคคลมาขอเราเขามายกย่องกรรมอันประเสริฐของเราฉะนั้นเราจะทำความยกย่องของเขาให้เป็นความจริงด้วยการสละด้วยการให้เขาต้องการอะไรเราก็จะให้เขาเนี่ยพระบริษัทท่านคิดของท่านอย่างนี้นะเราจะให้เขาเขาขอตาเราจะควักตาให้เขาขอแขนเราจะตัดแขนให้ เขาขอหัวเราจะตัดหัวให้เขาขอหัวใจเราจะควักหัวใจให้ดูสิพระบริษัทเป็นอย่างนั้นเขาขอเลือดเราจะเอาสเลอเอาเลือดในสเ ร, ระให้เขาเนี่ยนะท่านคิดของท่านอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นพายุทานหรืออัจฉติกทานทานภายนอกและทานภายในเราจะให้ให้ไม่เหลือให้แบบไม่มีวันหวดจะให้เรื่อยๆอย่างี้นะแม้แต่เขาขอชีวิตเราจะให้ชีวิตเป็นทานแกท่านเราน นี่ไงใจของพระผู้ใจของพระโพธิสัตว์กว่าจากมาเป็นพุทธเจา้าต้องกล้าขนาดนี้ไหมโอ้โหทำไมกล้าอย่างนี้เป็นไม่ได้อย่างเราได้สักครึ่งได้ไหมเราต้องทำให้ได้บ้างเห็นไหมเพราะชีวิตมีความแตกไปโดยส่วนเดียวแม้เขาไม่ขอเราก็ให้ไม่ต้องพูดถึงการขอละเขามาได้เดชได้บุญของเราเพราะผู้มีอัธยาศัยใหญ่ต้องการผู้รับ ถามบอกว่าผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่ตั้งสั ม, มาสมโพธิยานไว้ในใจเนี่ย ต, ต้องแสวงหาผู้รับั้ยต้องแสวงหาผู้รับจึงได้ให้เป็นบุญของเราการอนุเคราะห์ของเรานี้มุ่งถึงการให้แก่บุคคลที่มีความต้องการเราควรอนุเคราะห์โลกทั้งหมดให้เหมือนตัวเราท่านพิจารณาหมดนะท่านมองพวกเราทั้งหมดเลยนะพวกบริษัทเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะอนุเคราะห์บุกเรา พวกเราทั้งหมดเหมือนกัะบุอนุเคราะห์ตัวเองอ่ะรักตัวเองอย่างไรก็รักคนอื่นอย่างนั้นเอเราทําได้ไหมแบบเนี้ยรักรักตัวเองร้อยหนึ่งรักคนอื่นเท่าไหร่บางคนรักไม่ถึงห้าเนี่ยุย่งเลยนะฉะนั้นเขาบอกพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นนะรักตัวเองอย่างไรก็รักคนอื่นาการอนุเคราะห์โลกทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนตัวเราเมื่อยาจกไม่มีนะ ทานบารมีของเราจะเต็มได้อย่างไรเอาจะเต็มยังไงคิดดูที่ถ้ายาจกไม่มีผู้ขอไม่มีผู้ต้องการทรัพย์ไม่มีแล้วการสั่งสมทานบารมีทานนอุปปารมีทานนปรมาถบารมีของเราจะเต็มได้อย่างไรเมื่อเต็มไม่ได้สัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่ได้เมื่อสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เราก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ก็ขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากวัฏฏทุกไม่ได้ ฉะนั้นทานบารมีของเราจะเต็มได้อย่างไรท่านก็คิดไหมเราควรรักษาของทั้งหมดไว้เพื่อบุคคลที่ต้องการนั้นท่านรักษาของไวนะเพื่อต้องการบุคคลที่ต้องการเมื่อยาจกไม่ขอเราเขาจะหยิบของของเราไปเองตอนไหนถ้าเราไม่ให้เขาเขาจะมาหยิบได้อย่างไรเขาก็เกงใจเราใย่ะไหมอยากกันนั้นเลยเราก็ประกาศเลยพระพุทธศาสเห็นไหม ท่านก็จัดลงทานประกาศเลยเอา้าตอนที่ท่านเป็นสุเมธาดาบทเห็นไหมท่านทํำยังไงท่านประกาศแจกทานเลยเอา่าประกาศแจกทานแจกไปวันสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันทานไม่หมดทําไงดีอา่าเปิดประตูเลยตอนนี้เอาท่านทั้งหลายใครอยากไปเอาเลยเอาเองท่านรีบไปเลยท่านบอกโอ้แจกไม่ไหวแล้วของมีเยอะจัดเอามานี่ยบางทีจะทําบุญกับเขาสักหน่อยนะโว้ย บางทีได้มีของมาหน่อยได้จีวรมานี่นะได้ของมาหน่อยมาก็ปรารถนาอยากจะให้ทานบ้างใช่ไหมพอทําท่าให้ไปสองสามชิ้นอาหามาหมดซติ้งแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหนีหน่บุญน้อยจริงๆใช่ไหมนี่ดูที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านน่งแจกเจ็ดวันของไม่หมดเลยเปิดประตูแล้วประกาศท่านทั้งหลายใครต้องการอะไรให้เดินก็ไปหยิบเอา ข้าพเจ้าจะรีบไปบวชแล้วอย่างนี้ไหมท่านรีบบําเพ็ญเนคขมาบารมีแล้วหมาทุกวันนี้ให้อะไรก็มันก็ไม่อิ่มใจสักทีใช่ไหมคือมันมีน้อยเอออย่างนะเราอยากจะให้ของที่ปราณีดก็ได้ของหยาบหยาบมาเยงนี้ยแสดงว่าบุญในอดีตไม่ดีเลยเนี่ยนะบุญในอดีตไม่ดีเลยเนี่ยเนี่ยบง่งบอกอะไรนี่ไหมฉะนั้นสแสดงให้เหน็นว่าเนี่ยการให้เนี่ย เขาจะหยิบเอาไปตอนไหนพึ่งเป็นที่รักและเป็นที่ชอบใจของยาจกทั้งหลายได้อย่างไรบอกว่าถ้าเราไม่ให้จะเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายแกสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรถามบอกว่าพระศาสดานี่นะที่โปรยทานทั่วแผ่นดินโปรยทำไมโปรยเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดความรักในในในท่านท่านบอกว่าวันนี้ เราจะให้วัตถุเป็นทานวันหน้าเราตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณเราจะให้พระธรรมเป็นทานก็ใชยังนั่นแหละท่านผูกจิตไว้แล้วนั้นวันนี้เราจะให้วัตถุเป็นทานแต่วันหน้าเราจะให้ธรรมทานที่ไม่วิปลิตเราจะนำสัตว์เหล่านี้ให้พ้นจากวัตถุทุกไม่ใช่พ้นทุกชั่วขาวเพียงแค่กินอาหารมื้อหนึ่งอิ่ม หรือให้พ้าห่มผื้นเดียวแล้วอยู่ได้สองสามเดือนแต่วันหน้าเราจะให้พระธรรมให้แนวทางที่ถูกให้ท่านเหล่านี้ได้ตัดสรู้ตามเรานเนี่ยนะเราตัดสรู้แล้วจะให้สัตว์เหล่านี้ตัดสรู้ด้วยทีนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้ยาจกเหล่านั้นพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราได้อย่างไรเราเมื่อให้ก็พอใจ เมื่อให้แล้วก็ปลื้มใจเกิดปีติโสมนัสได้อย่างไรถามบอกว่าท่านให้นี่นะให้แล้วท่านก็สร้างฉันทะเป็นกุศลฉันทะให้เกิดขึ้นแล้วก็เอามาใครควรพิจารณาให้เกิดปลาโมดเกิดปลาโมดเป็นปัจจัยแก่ปีติปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสทิปัสทิเป็นปัจจัยแก่ความสุขเห็นไหม ท่านให้เพื่อจะทำให้กุศลและจิตของท่านเนมีกำลังแข็งแรงมากขึ้นมากเอาลองมาถามเราเราให้เราเคยเอาถานนั้นมา ว, วิจัยไหมเคยไม่เคยแล้วเราจะได้ปลาโมดได้โสมนัสได้ปีติจ า, ารให้ได้อย่างไรเอาไปคิดใหม่ใช่ไหมเอาจะคิดยังไงใช่ไหม การคิดเนี่ยหนึ่งอะโลภทานมีความไม่โลภที่เป็นไปกับกุศลจิตตุปบาทใจนั้นที่เป็นไปกับกุศลเจตนาคือความจัดแจงจงใจมีศรัทธานอบนำเนื่องด้วยใช่ไหมเกิดขึ้นในขณะนั้นในการที่จะสละการให้เนี่ยมีสองส่วนนะจิตที่คิดจะให้ กับวัตถุที่ควรให้ใช่ไหมเอาสองส่วนก่อนนะที่ส่วนว่านับวบเนื่องเป็นของเราเนี่ยมีวัตถุมีสิ่งของที่จะให้ถามว่าวัตถุที่จะให้อันนั้นเขาเรียกวัตถุทานแต่จิตที่คิดจะให้นี่เป็นเจตนาทานเป็นอะโลพาทานถามว่าอะไรสําคัญกว่ากันวัตถุที่จะให้กับจิตที่คิดจะให้เห็นไหม จิตที่คิดจะให้ในสำคัญต้องมีความฉลาดหัหยต้องมีศรัทธาความตั้งมั่นในคุณของพระศ า, าสดาถามบอกว่าพระโพธิสัตว์ ท, ท่านให้นะี่ท่านคิดถึงอะไรท่านคิดถึงสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราละคิดเนี่ยเราให้เราคิดถึงอะไรเอ็นหน้าตายัางไงเนี่ยหน้าตายยังไงแล้วพอมาได้ยังไงงี้วตายเลยจะมาเราเขาท่านคิดยังไง ท่านคิดถึงการบูชาพระพุทธเจ้าหรือคิดเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์นะท่านคิดฉะนั้นกรณีาการคิดเนี่ยความความพอใจต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เพื่อเป็นปัจจัยแกปป่ปราโมทย์ปีติปัสเทียยาจกทั้งหลายของเราพึเป็นอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวางท่านกับพิจาจรณาธรรมยังไงโนาะอัธยาศัยในทานนจะกว้างขวาง คือมองเห็นอะไรแล้วอยากจะให้อยากจะบริจาคได้นะเอาพิจารณาอยู่นี้นะเหมือนอย่างนี้เราเห็นดอกไม้แล้วเราคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมเอาไปตามสวนดอกไม้ไปตามถนนหนทางไปตามสถานที่ต่างๆเห็นดอกไม้เห็นของสวยๆวยงามๆเราคิดถึงอะไรคิดอยากจะเอาคิดน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเป็นไหม ถ้าคิดน้อมสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนี่ยกระแสจิตที่เกิดขึ้นจากความคิดนั่นแหละอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่านั้นแหละเป็นการตั้งกระแสความคิดได้ดีได้ถูกต้องแล้วเมื่อทรัพย์มียาจกมีการไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงของเราอย่างไรหลวงมาถามว่าทราัพย์มีผู้ต้องการมีทําไมบริจาคเนี่ยเป็นการหลอกลวงไหมหลอกลวงหรือไม่หลอกลวง เอาถ้าสมมุติว่ารับอ า, าทินั่งอยู่ในี้ใครบ้างที่ไม่คิดอยากจะพ้นทุกข์เอาทัดสมมุติว่ารับอาทินั่งอยู่นี้ใครบ้างที่ไม่คิดอยากจะพ้นทุกข์มีไหมอยากพ้นทุกข์ใช่ไหม อ, อยากพ้นทุกข์ก็แปลว่าอยากนิพพานดิอยากพ้นทุกข์ก็แปลว่าอยากนิพพานนดิเพราะการพ้นทุกข์ก็คือการนิพพานใช่ไหม นิพพานก็คือการดับตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาทรมานไม่ต้องมาเจ็บปวดแล้วก็แปลว่าอยากดับชาติทุกข์ชาลาทุกข์พยาทิทุกข์และมรณและทุกข์